มาปฏิบัติธรรมกันทําไมเชื่อว่าคําถามนี้คงเกิดขึ้นนะกับเราถ้าไม่ใช่พอคนอื่นถามเรานะเราก็อาจจะถามตัวเองว่าปฏิบัติธรรมไปทําไมที่จริงคําถามนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากถามว่าหายใจไปทําไมนะหายใจไปทําไม คือมันเป็นคําถามที่จะว่าไปก็ไม่ต้องการคําตอบเลยก็ได้แต่ถ้าจะตอบนะว่าเราหายใจไปทําไมนะก็อาจจะตอบว่าก็เพื่อที่จะได้มีชีวิตนะให้อยู่รอดไปได้แต่ตอบแค่นั้นก็คงจะไม่พอนะเพราะว่าหลายคนส้าหากว่ามีชีวิตอยู่รอดแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ก็ไม่อยากมีชีวิตไม่อยากหายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราหายใจทําไมนะเราก็คงจะไม่ใช่ตอบเพียงแค่ว่าหรือไม่ได้ทำเพราะเหตุผลเพียงว่าเพื่อให้มีชีวิตยอยู่ไปได้เท่านั้นนะแต่ว่าเพื่อให้อยู่และมีความสุขด้วยนะแต่ว่าเพียงแค่มีลมหายใจ มันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะไปได้นะเพราะว่าอย่างที่เราประสบพบกับตัวเองนะว่านะหายใจมามีชีวิตมายี่สิบสามสิบี่สิบปีหรือนานกว่า น, นั้นนะมันก็เจอความทุกข์นะ มารบกวนรังควานจิตใจอยู่ไม่น้อยอ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็คงนะเหตุผลเดียวกันนั่นแหละก็คือว่าเพื่อที่เราจะได้มีความสุขนะไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่รอบไปวันๆเท่านั้นนะแต่ก็ต้องมีคุณค่ามีความหมายด้วย ทาบว่าลมหายใจนะเพียงแค่มีลมหายใจแล้วมันยังไม่มีความสุขนะก็ต้องมาปฏิบัติเทิมปฏิบัติธรรมเสริมเพิ่มเข้าไปมางคนอาจะสงสัยว่าหรือค้านว่าหายใจเนี่ยหายใจได้ทุกที่นะแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติได้ทุกที่หรือนะคําตอบคือว่าใช่นะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับลมหายใจเหมือนกันนะ เราทําได้ทุกที่ไม่ใช่ว่าต้องมาทําที่วัดนะไม่ใช่ว่าต้องมาเข้าคอร์สแต่หลายคนในเวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยก็นึกถึงการเข้าคอร์สการมาวัดนะอันที่พ่อไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหมายถึงการอ่ามานั่งหลับตาบ้างมาอายกมือบ้าง อันนั้นก็ถูกอยู่แต่มันยังไม่ถูกหมดนะเพราะว่าจะจะพูดไปในปฏิบัติธรรมก็คือการที่ทำให้นะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งดีๆนั้นเนี่ยเราก็พึ่งสาธยาเป็นมอสัครูนะก็คืออริกิมมักมีองค์แปดนะเรื่องแต่สัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะนะไปจนถึงสัมมาส ม, มาธิการปฏิบัติธรรมนะถ้าจะ ผู้ให้มันตรงตามความหมายหรือครอบคลุมจริงๆก็คือการอาจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนะให้เพิ่มพูนงอกงามขึ้นคือการทําให้มีความเห็นที่ถูกตอ้องอถูกต้องการทําให้มีความดําริที่ถูกต้องนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องเริ่มต้นจากการ ทำสิ่งที่ง่ายก่อนนะคือว่าสัมมาวาจานะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะก็พูดง่าคือศี่ห้านั่นแหละนะก็เป็นเรื่องของกายวาจาแล้วก็เติ ม, มด้วยสัมมาชีวะนะอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดหรือว่าเริ่มต้นได้เลยแล้วก็จะนําไปสู่นะการ เ, าเปลี่ยนแปลง นะความเห็นให้ถูกต้องเราก็ทำให้ความคิดความดาริของเรานะมันไม่ถูกครอบงาด้วยตัณหานะคือความอยากไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธความมุ่งร้ายหรือว่าคิดแต่จะในเรื่องของการเบียดเบียนอันนี้ก็เรียกว่านะสัมมาสังกัปปะนะแล้วก็ทำให้ละเอียดลงไปนะด้วยการเจริญน ะ, ะ เ, นนะเรียกว่า ภาวนาการบาเพ็ญทางจิตนะก็คือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมม า, ส, ส, มมาสมาธิเนี่นะจะได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่เราทำได้ทุกที่ทุกเวลาถึงแม้ไม่ได้มาวัดไม่ได้เข้าคอสเราคงจะทำกันอยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปหนักด้านการนะให้ทานนะหรือว่าการรักษาศีล แต่ว่าเรื่องการฝึกฝนจิตใจนะที่เราใช้คาว่าสมาธิภาวนาหรือภาวนาเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่และนี่เราก็ทำให้จิตใจมีความทุกข์ได้ง่ายทำความดีแล้วก็ยังทุกข์อยู่นะนะเพราะว่าถ้าใจาเรายังไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยทำดีแต่คนไม่เห็นความดีของเราก็ทุกข์ ทำดีแล้วแต่ก็ยังมีคนตําหนิมีคนนินทาก็ทุกนะหรือว่าทําดีแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเรานะก็ทุกนะขี่ฉานะรู้สึกว่าเขาดีกว่าเรานะเขาเด่นกว่าเราก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมานะเพื่อร่วมงานขยันกว่าเรามาทํางานนะแต่เชา้ชาเช้ากว่าเรานะเลิกงานหลังเรา นะบางทีเราก็เละนะโดยไม่รู้ตัวว่านั่นแหละก็ทําให้เกิดทุกข์เหมือนกันฉะนเชื่อว่าความทุกข์ทางใจนะก็พาให้เรามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่นะการปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยเราก็ในเรื่องการเจริญสตินะสร้างสัมมาสติให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเราสตินี่อย่าไปอย่าไปดูถูกดูแคลนนะ มันสำคัญมากนะถึงแม้ว่าสติจะไม่ทำให้หาเหินเดินอากาศได้หรือทำให้ทายใจยคนได้ทำให้เห็นสีเห็นแสงนะเกิดความสามารถทางจิตนะหลายคนอยากจะได้แบบนั้นนะหรือว่าอยากจะทำให้อ่มีคนรักนะมีมหาสเสน่ห์ให้คนหลงไหลนะหลายคนนะ อยากได้แบบนั้นแต่พอพูดเรื่องสตินี่ก็รู้สึกเฉยเฉยพรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้พิเศษพิสดารอะไรนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครูเจ้าตัดว่าเนี่ยธรรมที่มีอุปการะมามีสองประการนะก็คือสติและสัมปชัญญะคราวหนึ่งเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนะพระมะปัญโยว่าหลวงปู่ ช่วยอธิบายธรรมะสั้นๆ เ, นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะกำจัดโลภะโทสะโมหะได้นะเอาที่มันกำจัดได้รวดเร็วทันใจนะสมัยนี้คนสมัยนี้ชอบอะไรที่เร็ว ๆ, ๆธรรมะสั้นๆนที่จะช่วยกำจัดโลภะโทสะโมหะไปได้จากใจหลวงพ่อหลวงปู่ท่านก็พูดคาเดียวน ะ, นะเสียงดังฟังชัดนะสตินะ สติเนี่ยเราเป็นทางลัดนะเป็นทางสายตรงนะที่นําไปสูนะ่ความพ้นทุกข์นะแต่ต้องเป็นสัมมาสตินะสัมมาสติสติธรรมดานะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันคือความระลึกได้นะอันนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นการระลึกได้ในเรื่องนอกตัวจําได้ว่าวางกระเป๋าไว้ที่ไหนจอดรถไว้ที่ไหนหรือว่า กลับบ้านนี่กลับยังไงทางไหนนี่วางรองเท้าไว้ที่ไหนเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องสติธรรมดานะสติที่ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีประโยชน์นะแต่มันไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสตินั่นเป็นเรื่องของการที่เรานะรู้กายรู้ใจนระะลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจก็คือระลึกได้เรื่องตัวเองนั่นแหลอะอวิธีการมันก็บอกอยู่แล้วนะสัมมาสติเนี่ยอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยนะ ก็สายหลักสติปัฏฐานสี่นะก็คือกายานุปัสสนาะเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะพื้นฐานคือข้อแรกนะคือว่าไม่ว่าเราทําอะไรเนี่ยก็ให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวอุจารตัดว่าเนี่ยให้ทําความรู้สึกตัวนะเวลาก้าวไปข้างหน้าเวลาถอยหลังเวลามองเวลาเหลี้ยว เวลาคู่ขาเหยียดขานะครองสังคาติสะภายบาทห่มจีวรนนะเวลากินเวลาดื่มเวลาเรียอะเวลาเคี้ยวเวลาลิ้มให้ทำ ง, งานรสึกตัวอุจลรัปัสสาวะก็เช่นกันนะรวมไปถึงว่าเวลาเดินยืนนั่งนะหลับตื่นพูดนิ่งน่าจะเห็นได้ว่ามัน ก็คือทำความรู้สึกตัวในทุกการกระทำนั่นเองโดยเพราะเมื่อเราใช้กายเนี่ยกระทำอะไรก็ตามก็ให้รู้ตัวนะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเราสร้างจังหวะนะหรือเราเดินจงกรมเท่านั้นน่นแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มานะรู้ การกระทําทางจิตนะก็คือเวลาคิดนะหรืออาการที่เกิดขึ้นกับใจเช่นอารมณ์นะรวมทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับกายเช่นเวทนาที่เป็นนามธรรมเช่นความปวดความเมื่อยความเจ็บนะอันนี้เนี่ยมันรับรู้ที่ไห น, นก็รับรู้ที่ใจนะก็ให้เรารู้ทันนะเวลาใจคิดนึกนะ ซึ่งสุกง่ายๆว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนะี่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเราสามารถจะทําได้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของเรานะตั้งแต่เกิดจนตายมันก็หนีไม่พ้นสองอย่างนี่แหละก็คือว่ากายเคลื่อนไหวใจคิดนึกนะคราวนี้ในเรื่องกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกให้มีสติรู้ทันเนี่ยนะ มันคือการที่เรามีนะเอาสติเข้ามาดูนะมาดูของจริงนะของจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจสีแสงนิมิตต่างๆนะอันนั้นไม่ใช่ของจริงอย่าไปสนใจนะการเจริญสติคือการที่ฝึกให้เรามีตาในาที่จะเห็นของจริงนะอะไรที่ไม่จริงก็ก็ไม่สนใจ และถ้าดูของจริงนะคือกายกับใจเนี่ยไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะเห็นความจริงนะเหมืนมันเห็นความจริงของกายและใจว่าเนี่ยเออนะกายนี่นะมันก็ศักแต่ว่ากายนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะใจก็เหมือนกันนะมันก็ศักแต่ว่าใจแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาการที่เกิดขึ้นกับกายเช่นเวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไป อาการที่เกิดขึ้นกับใจนะมันก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะยินดียินร้ายนะไม่ว่าใจฟูใจแฟบนะเมื่อเราดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงนะแล้วก็มันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้นะไอ้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่เราเรียกว่าทุกขังนะไม่เที่ยงเราเรียกว่าอันีิจังแล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา อันนี้ก็เรียกอนัตตาอันนี้แหละที่จะทำให้จากการเห็นของจริงมันกลายเป็นการเห็นความจริงไหมอันที่แรกเราดูกายนะเห็นกายดูจิตเห็นจิตดูเวชนาเห็นเวทนาอันนี้เรียกว่านะดูของจริงนะไม่ใช่ดูอะไรที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่แล้วพอเห็นความจริงนั่นแหละก็คือว่าเริ่มเห็นธรรมแล้วนะ กายการเห็นกายเวทนาจิตเนี่ยก็เรียกพูดง่ายคือเห็นของจริงนะของกายของของของสิ่งที่เราสมมุติว่าเป็นเรานะและเมื่อเห็นไปเรื่อยๆความจริงมันก็แสดงตัวออกมาก็เห็นความจริงอันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมนะเพราะว่าถ้าเราดูรายละเอียดเนาะเห็นธรรมในธรรมนี่ก็คือเห็นอะไรก็คือความเข้าใจในเรื่องนิวรณ์นะนิวรณ์นี่ก็คือ สิ่งที่มารบกวนจิตใจเวลาปฏิบัตินั่นแหละเช่นความงงอาหารอนอนความลังเลสงสัยนะความฟุง้งซ่านรวมทั้งความยึดในกามหลงไหลคิดถึงอะไรรวมทั้งความข้องขัดใจที่เรียกว่าพยาบาทนะีน่วอนทั้งห้าอันนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่รบกวนจิตใ จ, จแต่ถ้าเราดูมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ เผยความจริงให้เราเห็นนะว่ามันก็ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมา ล, ลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยนะมีเหตุก็เกิดพอเหตุดับมันก็ดับนะนนี้เราไปถึงความจริงเกี่ยวกับขันนะความจริงเกี่ยวกับอายตนะนะซึ่งอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะสาหรับนักปฏิบัตินะใหม่ๆเนี่ยก็ อย่าพิ่งไปสนใจว่าจะเห็นความจริงว่าอะไรความจริงมันจะเฉลยยังไงก็ให้ดูกายดูใจไปก่อนแล้วการปฏิบัติเนี่ยเรามาฝึกเพื่อให้เรารู้ทันนะอาการของกายนะเวลาทําอะไรใจก็รู้สึกใจก็รับรู้เกิดความสึกตัวขึ้นมาเวลาใจคิดนึกไปก็รู้ทันแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะจับหลักได้เนี่ยมันก็เราก็จะรู้ว่า มันทำได้ทุกที่นะไม่ใช่ว่าจะต้องมาทำเวลาเข้าคอร์สนะเวลาเรากลับไปบ้านทำอะไรนะก็ให้ใจรับรู้เมื่อกายมันข ย, ยื่งข ย, ยับนะก็รู้สึกตัวอยู่ที่บ้านนะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะเก็บที่นอนลุกขึ้นมาจากที่นอนอันนั้นเนี่ยมันก็คือการกระทำนะ มันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำด้วยความรู้สึกตัวนะรวมไปถึงเวลาเราเดินนะไปที่ทำงานอ่าขึ้นลิฟต์หรือว่าลงบันไดล้างจานกินข้าวอันนี้มันทำทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ทำด้วยอะไรทำด้วยกายแล้วก็มีสติรู้นะรู้สึกตัว ในธรรมดิกันนะเวลาใจมันคิดนึกอะไรเนี่ยก็ให้รู้ทันและส่วนใหญ่เนี่ยใจเราเป็นคิดนึกได้หรือว่ามีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผัสสะนะเช่นมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าลิ้นได้รับรส ถ, ถ้าเราดูนะอาการใจเนี่ยใจมันขึ้นจะลงฟูแฟบนะยินดีร้ายเนี่ยมันรู้แล้วแต่เกิดเพราะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมานะ บางครั้งนะผัสสามก็ทุกขณะเนี่ยผัสสามก็กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยนะหูกำลังได้ยินเสียงหรือว่าขากำลังรู้สึกถึงความปวดความเมื่อยนะอันนี้คือผัสสะก็เป็นการปฏิบัติทำได้นะ นั่นก็จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทําอะไรนะหรือเจออะไรเนี่ยมันก็ปฏิบัติทําได้ทั้งนั้นนะแต่ เ, ออเพราะถ้ามันเป็นการเจริญสตินะให้จับหลักไว้ได้ให้จับหลักไวไ้ลไวเลยนะว่าทําอะไรเจออะไรเนี่ยนะถาาว่าเราทําแล้วเรามีความสึกตัวแล้วเมื่อเจออะไรใจกระเพื่อมขึ้นมาเราก็รู้ทันอันนั้นแหละเรียกว่าการปฏิบัติแล้วอย่าไปคิดว่ามันต้องมา เดินจงกลงนั่งหลับตาหรือว่ายกมือเคลื่อนไหวเท่านั้นนะเราทําอะไรที่บ้านเนี่ยเราทําอะไรที่ทํางานหรือทําอะไรที่กุติมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่าอย่าตีกรอบการปฏิบัติธรรมให้มันแคบนะหรือว่าอย่าไปจํากัดว่าการภาวนาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นมีเรื่องเล่าสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยนะท่านยังเป็นพระหนุ่มนะบวชได้ แปดเก้ 8, 9, พาพรรษาเนี่ยท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์นะเพราะว่าท่านมุ่งพ้นทุกข์ตอนประสานจิเก้าท่านก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินนรีนะที่นครพนมหลวงปู่กินนรีนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นแรกๆ เ, เ, เ, เลยหลวงพ่อชาตอนนั้นเป็นพระหนุ่มนะอายุไม่ถึงสาสิบนะัท่านก็มีไฟแรงมากท่านภาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยโดยพากการเดินจงกรมนะไม่นั่งก็เดินเวลาเดินนี่ก็เดินกัน เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนจกนกระทั่งทางทางจงกรมนี่เป็นเป็นรอยเลยนะเป็นแถวเลยเป็นแนวเลยแต่บางครั้งท่านก็ขัดใจนะรู้สึกไม่เข้าใจว่าทําไมหลวงปู่กินเดลีวันๆไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เลยเดินประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทำโน่นทํานี่นะท่านก็สงสัยขึ้นมาวัานนี้ขนาดเรานี่เดินทั้งวันนี่ปฏิบัติทั้งวันยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วหลวงปู่นี่จะเห็นอะไรนะ จะรู้อะไรแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่กินนรีเนี่ยก็ก็ได้เห็นว่าจริงหลวงปู่นี้ท่านมีปัญญามากท่านรู้มากกว่าเราเยอะนะอันนี้หลวงพ่อชาท่านคิดในใจว่าท่านรู้มากกว่าเราเยอะะไปหลงดูแคลว่าท่านไม่รู้อะไรเนี่ยที่จริงเนี่ยท่านมีปัญญาลุ่มลึกมากแม้แต่แม้กระนั้นเนี่ยท่านก็หลวงว่ดหลวงพ่อชาเนี่ยก็ยังก็ยังมีความเข้าใจนะว่าจะจะ ภาวานาให้เกิดมรรคเกิดผลเนี่ยมันต้องนะมันต้องเดินตรงกลมนะมันต้องนั่งท่านก็ทําไปทําไปแต่ว่ามีวันหนึ่งเนี่ยจีวรท่านนะขาดนะมันรุ่ยแล้วล่ะนะท่านก็จําเป็นที่ต้องมาปะชุนเย็กจีวร น, นั้นใครท่านปะชุนเนี่ยก็ทําด้วยความรีบนะท่านรีบอยากจะทําให้มันเสร็จเสร็จนะเพะื่อจะได้รีบไปภาวานา รีบไปเดินหลวงปู่กินเลหเห็นก็ก็ทักขึ้นมาว่าเนี่ยท่านจะรีบร้อนไปทําไมป่าชุนเย็บจีวร น, นั่นน่ะจะรีบร้อนไปทําไมหลวงพ่อชาติองตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตอบว่าเนี่ยอยากจะทําใหเ้เสร็จครับให้เสร็จไวๆเสร็จแล้วจะไปทําอะไรท่านก็บอกเสร็จแล้วจะไปทำโน่นทำโน่นเสร็จจะทําอะไรต่อก็ทํานั่น ผู้อาคือท่านอยากจะทำอะไรให้เสร็จเร็จซะจะได้รีบไปภาวานาหลวงปู่กินีเลยก็เลยท้วงขึ้นมาว่าท่านชายนะับจีวรผืนนี้เนี่ยมันก็ภาวานาได้นะก็ดูใจของท่านไปเสียว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็แก้ไขให้มันถูกนะจะรีบร้อนไปทำไมเสียหายหมดนะความอยากมันท่วมหัวแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะความอยากอะไรคืออยากภาวานา ให้อยากภาวนานี่มันก็มันก็ดีนะถาาว่ารู้ทันนะแต่ถ้าไม่รู้ทันเนะี่ยปล่อยให้นะให้มันกอบกลุ่มใจจนกระทั่งทําอะไรรีบๆนะไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมือกาลังเย็บจีวร อ, อยู่นะแต่ว่าใจเนึ่ยไปแล้วไปที่ทางเดินจงกรมแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่ภาวนานนะมันไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะมันรีบทำอะไรเสร็จเ็จเพื่อได้ไปเดินจงกรมเนี่ยนะถ้ามอญ น, นี่เสติปัฏฐานนี่ก็เรียกว่าสอบตกนะเพราะว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบัน อาจจะได้คะแนนความขยันนะแต่ว่ามันไม่ได้ในเรื่องการเจริญสตินี่ก็ถือว่าสอบตกนะเพราะว่าไปมองว่าการเย็บจีวรนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาวนาจริงจมันเป็นภาวนาได้ถ้าว่าเรามีสตินะมีสติรู้ตัวขณะที่เย็บจีวรแล้วขณะเดียวกันใจมันลอยใจมันฟุ้งหรือว่าใจมันเร่งรีบให้เสร็จไวๆก็ให้รู้ทันนะถ้าไม่รู้ทันนี่ก็เรียกว่า นะไม่รู้ตัวนะะนั้นทำอะไรเนี่ยนะก็ให้เราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่นก็ภาวนาได้และในธรรมนาเดียกันเจออะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวนาได้นะเพราะว่าตามหลักการเจรลสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือว่าให้รู้ทันนะเวลาใจมันขึ้นมันลงนะมีทุกมีโทมนัดหรือว่ามีความยินดียินร้ายนะมีราคะมีโทสะนะหรือไม่มีก็รู้ อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าใจมันเนี่ยจะมีอาการอย่างอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมีผัสสะตาเห็นรูปหูเดินเสียงนะแม้ว่าเสียงนี่จะเป็นเสียงด่าเสียงต่อว่าด่าทอเนี่ยถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยนะก็ถือว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหลวงพ่ อ, อเขียนท่านเคยนิยามสั้นๆว่าคือการเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนี่ไม่ได้ไหมายความว่าทําแล้วนี่เขาจะไม่ดา่าเรานะคนที่ยังต่อว่าเราก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเวลาใจเรามันทุกข์ใจเราเป็นโกรธเนี่ยอันนี้เรียกว่าเกิดอ่ามันเกิดความร้ายขึ้นมาแล้วร้ายนี่มันเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็เปลี่ยนให้มันดีซะเปลี่ยนให้มันดีได้ไงก็อาศัยสติเนี่ยพอสติรู้ทันความโกรธความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นปกติไป หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านนั้นอยู่เสมอนะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธนะวิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนแน่คือมีสติรู้ทันความโกรธนะมันก็จะกลายเป็นความไม่โกรธขึ้นมานความเศร้าก็เปลี่ยนเป็นความไม่เศร้าใช่เปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะทําให้เขาหยุดบ่นหยุดว่านะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเว้นแต่ว่าเราไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะเช่น ไปไม่รับผิดชอบต่อ ง, งานการหรือว่าไม่มีศีล น, นะหรือว่าไปพูดจานินทาเขาเนะี่ยอันนี้มันก็ธรรมดาที่เขาจะทำกับเราอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีศีลดีนะไม่ว่าจะเป็นนะการพูดหรือการกระทำนะสัมมาวาจาเราก็ปฏิบัตินะไม่พูดปลดไม่กล่าวคำหยาบ ไม่พูดเจาะไม่พูดสอเสียไม่พูดเพอ้อเจอ้อเราทําแล้วนะสัมมากัมมันตะเราก็ทําแล้วนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยนะไม่พูดผิดในกามนะไม่เอ่อไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยเราก็ทําแล้วนะแต่เขาก็ยังว่าร้ายเราก็ยังเบียดเบียนเรานะอันนั้นนะก็ช่วยไม่ได้นะ แต่สิ่งที่เราทําได้คือเปลี่ยนร้ายที่มันเกิดขึ้นในใจให้กลายเป็นดีซะเปลี่ยนความโกรธกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความหงุดหงิดให้เป็นความไม่มไม่หงุดหงิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักการภาวนาได้ก็จะพบว่าทําอะไรก็ภาวนาได้ปฏิบัติทําได้เจออะไรก็ปฏิบัติทําได้นะแม้ว่าแม้สิ่งที่เราเจอนั้นเนี่ยนะมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าพอใจยุ่งกัดนะ ยุงกัดนี่มันก็เกิดผัด ส, สาขึ้นมาใช่ไหมแล้วใจเราเป็นยังไงถ้าเราเห็นใจที่มันกระเพื่อมใจที่มีปฏิกะมีความไม่พอใจมีความมุ่งร้ายนะมีความโกรธนะถ้าเราเห็นมันเนี่ยนะก็เห็นมาด้วยสตินะอันนี้ก็ถือว่าเราได้ได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมแล้วแล้วการที่ได้เจอแบบนี้เนี่ยมันทําให้ใจเราเราให้สติเราไว้นะ นักภาวนาเนี่ยไปคิดว่าโอ๊ยฉันคอยฉันเจอแต่สิ่งดีๆน ะ, ะเจอสิ่งดีๆเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วมันก็สแสดงถึงความอ่อนแอของเรานะมันแสดงถึงความความไม่รู้นะความโง่ของเราที่คิดว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นนะไม่ได้ตระหนักความจริงว่า ไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันแล้วก็หนีไม่พ้นใครเดิกรรมก็แสซงถึงความอ่อนแอของเราว่านะเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อใครๆทําดีกับเราเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อดินฟ้าอากาศนะมันราบรื่นสะดวกเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อลถไม่ติดนะอคนที่คิดแบบนี้ว่าจะสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างรอบตัวเราดีหมดราบรื่นหมด น, นี่ก็แซงว่าอ่อนแอนะอ่อนแอ เอาตัวเอาจิตเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งภายนอกการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาทำให้เราเข้มแข็งก็คือว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกจะเป็นอย่างไรลใจเราก็สงบใจเราก็ปกติมั่นคงได้ใครก็จะด่าว่ายังไงก็ก็สงบได้งานจะไม่สําเร็จงานไม่รับเรื่องลูกน้องนะไม่ไม่ทําตามคําสั่งใจก็สงบได้ไม่ใช่ชุนเฉียวนะ ไอ้คำแนะนำสั่งสอนการตักเตือน่าควรทําไปนะแต่ว่าใจเราก็นะเป็นปกติได้แล้วเราจะปกติได้อย่างไรใจเราจะสงบได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็เกิดจากการฝึกเนี่ยนะฝึกจากของจริงนะไม่ได้ฝึกจากการคิดเอาของจริงก็คืออะไรของจริงก็คือสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรานะไม่ว่าจะเป็นรูปที่กระทบตาหรือว่าเสียงที่กระทบหู รวมหนึ่งเหตุการ์ด้วยนะเหตุการ์จะเห็นความพัดพร่าสูญเสียนะไอ้พวกนี้เนี่ยเรียกลมรวมว่าเจออะไรเนี่ยนะเราต้องฝึกให้ใจไม่ทุกนะแล้วเราจะเจออะไรใจไม่ทุกได้ี่ก็เพราะว่าเรานะถือว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกนะในการปฏิบัติในการภาวนานะ ถึงแม้ว่าเราจะพลังจะเผลอจกนกระทั่งเกิดความโกรธขึ้นในใจเกิดความขัดเคืองใจเกิดความเศร้าเกิดความนื้อเนื้ อ, อต่ําใจก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปโมโหตัวเองเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้โดยการที่รู้ทันอารมณ์นั้นถึงแม้ว่าเราจะเผลอให้มันเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันอารมณ์นั้นนะเห็นซะไม่เข้าไปเป็นนะ เห็นอารมณ์นั่นเกิดขึ้นในใจไม่ก็ไปเป็นเห็นความโกลัวไม่เป็นผู้กลัวเห็นความเศร้าไม่เป็นผู้เศร้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติเหมือนกันนะอุาตรจัดว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนนะหากว่ามีอกุศลเกิดขึ้นในใจก็ไม่ก็ไม่ไปคล้อยตามมันนะรู้จักปลดเปื้อมันออกไปจากจิตใจนะ สามารถเช็คกำจัดมันออกไปจากใจได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียร น, นะเวลานอนนี่ก็ถือว่าทำความเพียร น, นะก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าปฏิบัติได้ตรนข้ามถ้าเกิดว่านั่งปฏิบัติในรูปแบบแต่ปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านนะทำไปก็หงุดหงิดไปนะหงุดหงิดเสียงดังทำไปก็ลำคานคนที่นั่งอยู่ข้างๆนะแล้วก็ไม่รู้ทันอย่างนี้เนี่ย ไม่เรียกว่าภาวนาไม่รู้ว่าไม่เรียกว่าปฏิบัติไม่เรียกว่าทําความเพียร น, นะสู้คนที่นอนอยู่แต่ว่าไม่ปล่อยให้อคุสรจิตมันครอบงําใจนะให้เราให้ให้เข้าใจนะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติทําหรือภาวนาเนี่ยมันทําได้ทุกที่ทุกเวลาให้เราเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าทําอะไรหรือเจออะไรนะก็ ให้ปฏิบัตินะให้ภาวนานะอันนี้แหละมันทําให้การอการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันถ้าถึงตอนนั้นเราก็จะไม่มาถามว่าไม่เราก็จะไม่บ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาภาวนาคนที่พูดอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะตอบว่าเรามีเวลาหายใจไหมไม่มีเวลาปฏิบัติแล้ว ม, มีเวลาหายใจหรือเปล่า ถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาภาวนาได้เหมือนกันเพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันควรจะทำทุกลมหายใจนะนะสุดท้ายเนี่ยนั้นก็กลับมาที่พูดตอนต้นนะ ว, ว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมนะมันก็เป็นคำถามเดียวกับว่าทำไมต้องหายใจ